ขอพระทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระเจ้านายนุวัตสิงศดารองพรเพื่อการจังหวัดอุดอรธานีรักษาราชการกาแทนผู้ราการจังหวัดอุดอรธานีขอพระทานพระราชารย์ ญ, ญาตกราบทูลเชิญทรงแถลงข่าวการสร้างพิธพันธ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตาพระมหาบวัวญาณสัมปันโน ด้วยกล้าวด้วยขมอมคนที่ควรแล้วจะจะบปรดกล้าปรดขมอมข้ า, าพเจ้ารู้สึกเพื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางศิษยานุกศิษย์ของท่านพ่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาปัวญาณสัมพันโนและมาบอกเล่า ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีซึ่งข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์สุดใจเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดให้รับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายคารวะข้าพเจ้าน้อมรับด้วยความเต็มใจเพราะนอกจาก จะเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อท่านพ่อแล้วยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รับคำสั่งสอนจากท่านพ่อโดยตรงได้ทราบถึงคุณงามความดีที่ท่านพ่อได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติที่เห็นได้ชัดในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่านพ่อได้สอนด้วยการกระทาให้พวกเราทั้งหลายเห็นเป็นตัวอย่างเช่นการจัดทมโครงการผ้าป่าช่วยชาติในขณะนั้นท่านพ่อสูงวัย แล้วและสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจึงเป็นภาระอันใหญ่หลวงแต่ท่านพ่อมีความมานะอดทนไม่เห็นแกเนตแกเนื่อยเพราะความรักประเทศชาติและความกตัญญูกะตะเวทีต่อแผ่นดินเกิดซึ่งเป็นแบบอย่างให้บรรดาลูกศิษย์น้อมนำไปปฏิบัติตาม ในการจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติของท่านพ่อโดยยึดความเรียบง่ายเพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาและประวัติของท่านพ่อตั้งแต่แรกเกิดจนละสังขารในฐานะที่ ท่านได้เมตตารับข้าพเจ้าเป็นลูกบุญธรรมและเป็นลูกศิษย์ของท่านข้าพเจ้าตั้งใจที่จะทำโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีนี้อย่างดีที่สุดในเบื้องต้นได้พยายามติดต่อศิลปินแห่งชาติให้มาช่วยออกแบบพระธรรมเจดีแต่ติดขัด ที่ในช่วงเวลานั้นศิลปินแห่งชาติท่านมีภารากิจจัดธรรมพระเมรุมาตรของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีจึงไม่สามารถมาทำงานนี้ได้แต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจความรู้สึกของบรรดาสิษยาอนุสิตว่าต้องการ เห็นความคืบหน้าโดยเร็วของโครงการข้าพเจ้าจึงพยายามนึกหาผู้ที่มีฝีมือท่านอื่นมาช่วยออกแบบอยู่นานแต่แท้จริงแล้วก็มีคนที่อยู่ใกล้ตัวที่ไม่ได้นึกถึงแต่แรกคือลูกสาวของข้าพเจ้าเอง ซึ่งทำงานด้านศิลปรกรรมและงานบูรณะวัดและโบราณสถานหลายแห่งโดยมีทีมงานและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาข้าพเจ้าจึงได้มอบหมายให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและคณะมาช่วย ด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์และธรรมระรรมเจดีและได้ตั้งคณะทํางาน 3. คณะได้แก่ 1. คณะทํางานฝ่ายวัดป่าบันตาต 2. คณะทํางานฝ่ายจังหวัดอุดรธานีและ 3. คณะทํางานฝ่ายออกแบบก่อสร้างและศิลปกรรม คณะทางานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาชุตาพรได้เดินทางมายังวัดป่าบันตาดตั้งแต่วันที่4กันยายนปีพศ2554เพื่อมาตรวจสภาพและกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบันตาดเพื่อขอแนวทางการปฏิบัติ จากคณะสงฆ์ตลอดจนได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอพระสงฆ์และคารวะที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านศิลปรกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จะสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นได้ถวายรายงานการออกแบบก่อสร้างศิลปรกรรมและภูมิทัศน์เบื้องต้นให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อวันที่7มกราคมพศ2555ซึ่งข้าพเจ้าเห็นชอบและขอให้นำแบบมาประชุมหารือ กับคณะทำงานของฝ่ายวัดป่าบ้นตาดและคณะทำงานฝ่ายจังหวัดอุดรธานีจากการปรึกษาหารือในครั้งนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจิชาพรทรงได้รับคำแนะนำจากคณะสงฆ์เรื่องการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สมควรมีองค์ประกอบเกี่ยวกับประวัติของท่านพ่อ ดังนี้คือ 1. ชีวิตในวัยยาวชีวิตชาวนา 2. วัยออกโบวช 3. การศึกษาปฏิบัติพระธรรมกับพระอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นเป็นต้น 4. การสร้างวัดป่าบ้านตาดการสั่งสอนธรรมะ 5. การรวบรวมแรงใจและความศรัทธาเพื่อนำเงินทองคำช่วยชาติและ 6. ก, การละสังขารต่อมาในวันที่14พฤษภาคม2555คณะทำงานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุดาภรณ์ได้ร่วมประชุม คณะทำงานวัดป่าบ้านตากและคณะทำงานจังหวัดอุดรธานีและได้เสนอรูปแบบพระธรรมเจดีมีการทำแบบจำลองในการประชุมครั้งนั้นมีการรายงานความก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นหนึ่งการออกแบบ 2. ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ และศิลปรกรรมเพื่อคณะทำงานจะได้นำไปจัดทำการออกแบบโดยละเอียดเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายผู้ออกแบบได้รับโจทย์ว่ารูปแบบพระธรรมเจดีควรมีความเรียบง่ายสง่างามคงทนและบำรุงรักษาง่าย โดยสรุปการดำเนิน ง, งานจะทำเป็นขั้นตอนดังนี้หนึ่งออกแบบรายการรายละเอียดพระธรรมเจดีเมื่อเสร็จแล้วจะเริ่มก่อสร้างพระจธรรมเจดีก่อนสองการออกแบบรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์โดยวางแผนการใช้พื้นที่ การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และพระเจดีย์ให้แล้วเสร็จพร้อมกันโดยจะใช้เวลาประมาณสมปีเรื่องงบประมาณงบประมาณที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับวัสดุหากต้องการมีความคงทนถาวรสง่างาม เป็นร้อยร้อยปีจำเป็นจะต้องใช้หินอ่อนจากประเทศอิตาลีดังตัวอย่างที่เห็นได้คือวัดเบนจามบอพิษหรือพระที่นั่งอนั น, นตสมาคมจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นหินอ่อนคุณภาพสูง จากประเทศอิตาลีซึ่งหากใช้วัสดุที่ใช้กันโดยทั่วไปความคงทนจะน้อยกว่าและอาจมีความคงทนเพียง30ถึง40ปีเท่านั้นสำหรับโครงการนี้ข้าพเจ้าอยากเห็นพระธรรมเจดีเรียบง่ายสง่างามมีความคงทน จะจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของศิษยานุสิตทุกคนหลังจากที่คณะทำงานออกแบบการก่อสร้างและศิลปกรรมพระธรรมเจดีได้ออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้วจะต้องมีการจัดหาบริษัทก่อสร้างการควบคุมงาน การหาทุนเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาต่อหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนโลและยังเป็นอานิสง์อันยิ่งใหญ่ที่หาโอกาสได้ยากยิ่งขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยบริจาค สมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเทดีพระธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีที่มูลนิธิจุฬาพรเพื่อโครงการนี้อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นับเป็นกุศลยิ่งใหญ่ที่จะได้มีโอกาสได้สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปแต่ในขณะนี้ทุนทรัพย์ยังไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการฝ่ายหาไรายได้และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีให้สำเร็จ รุ่ล่วงตามเป้าหมายซึ่งข้าพเจ้าจะได้แต่งตั้งในโอกาสต่อไปซึ่งการระดมทุนนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับโดยตรงว่าในกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะลำบากที่จะได้ทุนทรัพย์ มาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะลำบากในการระดมทุนในผู้มีอันจะกินเนื่องจากในกรุงเทพขณะ น, นี้มีการระดมทุนสาธารณกุศลต่างๆมากมายโดยที่มีเจ้านายหลายพระองค์ เป็นประธานในแต่ละโครงการจึงนับว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงแต่การระดมทุนในระดับผู้มีจิตศรัทธาและลูกศิษย์หลวงตามหาพัวยาณสัมปนโนเป็นไปได้วยความราบรื่นเพราะว่า ผู้มีจิตสทาทั่วไปจะมาทำบุญกันสม่ำเสมอโดยที่ข้าพเจ้าวางกล่องรับบริจาคไว้ตามจุดต่างๆอาทิเช่นโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวิชัยยุทธและโรงพยาบาลต่างๆที่ข้าพเจ้ามีความผูกพันด้วย ก็ได้รับบริจาคเป็นจำนวนมากมายพอสมควรสำหรับสาธุชนทั่วๆวไปในฐานะประธานของโครงการฝ่ายคารวาสข้าพเจ้าขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์สุดใจพระอาจารย์อินทวายตลอดจนพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสหายธรรมของท่านพ่อและขอบคุณศิษยานุสิทธิ์ของท่านพ่อที่ได้แนะนําให้ข้าพเจ้าและให้คําแนะนําแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ขอขอบคุณคณะทำงานของวัดป่าบ้านตาคณะทำงานของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ร่วมกันกับคณะทำงานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรในการออกแบบก่อสร้างและศิลปกรรมพระธรรมเจดีย์ให้เรียบร้อยและให้ได้เตรียมการการจัดประชุมแถลงก่าวในวันนี้ตลอดจนขอบคุณศิียนรศิษ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการและขอให้คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทาตลอดจนบารมีของท่านพ่อบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขและความเจริญโดยทั่วนหน้ากันขอพระชจาทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ข้าพุทธเจ้านายนุพวัตสิงศัดารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีขอพระทานพระราชาอนุญาตเบิกนายสมบัติเฉลิมวุติพันธ์และคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินจํานวนหนึ่งรยล้านบาทสมทบทุนสร้างพิธภัณฑ์ทำไมเคีดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุวญาณสัมปันโนเข้าเฝ้าฝ่าพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับควรไม่ควรแล้วแต่จะปลวดกล้าวปวลดกระหม่อมอัตมาภาพในานามสิทธิานุสิทธิ์ขององค์หลวงตาทุนกระหม่อมที่มาเป็นประธานในวันนี้นับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง พราพวกเราท่านทั้งหลายก็ทราบแก่ใจอย่างที่ทูลกระหม่อมได้พูดองหลวงตาก็ได้เรียกทูลกระหม่อมว่าทูลกระหม่อมลูกแต่ทูลกระหม่อมก็ได้เรียกหลุงตาของพวกเราว่าท่านพ่อในคราวนี้เหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งทูลกระหม่อมก็ได้ทําหน้าที่ในดีที่สุด ตั้งแต่องค์หลวงตายัางชงธาตุขันอยู่ก็เข้ากาบองค์ลวงตาโดยสม่าเสมอระหว่าเป็นลูกธรรมะขององลวงตาและก็พร้อมกันก็ดูแลทางสุขภาพกายขององลวงตาโดยสม่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งองลวงตาโค้งสุดท้ายที่องค์ลว ง, ง, งตาอาพาธทุนก็หม่อมก็ไม่ได้ห่างเหิน ดูแลองค์หลวงตาจนหาที่ตำานิไม่ได้อาตมาภาพในานามคณะสงฆ์หรือคณะในานามฉิจยานุสิ์ทั้งหลายได้เห็นทูลกระหม่อมปฏิบัติต่อองค์หลวงตาแล้วซึง่งในจิตใจแล้วก็วันที่หลวงตาละสังขารทูลกระหม่อมก็ได้มานั่งเฝ้าในนาทีสุดท้ายและจากนั้นก็ได้จัด งานศรีระขององค์ลงตาเป็นที่ประจักษ์ประยาเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกได้เห็นได้ชัดแต่มาบัดนี้เมื่อลงตาผ่านไปแล้วมรณนะภาพผ่านไปแล้วก็ทูลกระหม่อมยังรับเป็นภาระทุระที่จะจัดจะสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีถวายองค์ หลวงตาหรือว่าถวายท่านพ่อเอกอันนี้นะว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่ทุนกระหม่อมได้เสียสละเวลาที่มาทําการถวายองค์หลวงตาในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนกระหม่อมคงจะเป็นหลักให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายส่วนฝ่ายคณะลูก ที่พระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุธาพรกับคณะอาจารย์ก็เป็นผู้ดูแลควบคุมแปลนที่แปลนออกมาตนฝ่ายสังฝ่ายพระสงฆ์ก็จะดูแลเกี่ยวกับความเหมาะสมรือถูกต้องตามขนบธรรมเนียมขององค์หลวงตาเป็นยังไงและต่างฝ่ายบ้านเมืองก็คงจะควบคุมการก่อสร้าง คิดว่างานในคราวนี้ก็คงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแลวก็อเมื่อกี้นีก็คุณสมบัติเฉลิมวุฒนันพร้อมกับคณะที่เป็นบริษัทเอเชียโคเรนไลท์กับคณะหลายๆท่านแก้วในนามของบริษัทได้ถวายเงินกับองค์หลวงตาซึ่งคือเมื่อหลวงตามรณภาพวันแรกก็ ทั้งคณะก็ได้แสดงความจำ侬ว่าถึงจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์อย่างไรพวกเราก็ประวรณิน า, นาไว้เป็นก๊อกแรกซะก่อนหนึ่งหนึ่งรล้านอันนี้ก็วันนี้ก็ได้ถวายแก่ทุนกระหม่อมอย่างเมื่อกี้นี่ก็เป็นที่ปลื้มใจแก่คณะสิทธิอนุสิทธิท้งหลายที่มีเงินกองก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วก็ การสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์คงจะสร้างด้วยจตุปัจจัยแต่การก่อสร้างถ้าเราจะทำของดีราคาก็ต้องแพงเป็นธรรมดาถ้าเราทำสร้างของถูกราคามันก็ต้องราคาก็ต้องต่าเป็นธรรมดาอันนี้คราวนี้คงจะยังไม่ได้ยังรับรองไม่ได้ว่าเราจะราคานั้นจะมากน้อยอย่างไรแค่ไหนแต่ถึงยังไง การสร้างขราวนี้เป็นการก่อสร้างครั้งยิ่งใหญ่และยุคนี้สมัยนี้ก็อะไรมีแต่ของราคาแพงๆทั้งหมดเพราะนั้นพวกคณะสิทธาิารุ้สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์อย่างที่อาตมาภาพได้ถามท่านพระอาจารย์สุดใจแท่านก็ให้คำตอบว่าบัญชีที่วัดป่าบ้านตาด เห็นที่มีคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ยอดตู้บริจาคที่เขียนไว้ว่าเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีขององค์หลวงตาตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554มาถึงมาณวันนี้เงินก้อนนี้จากตู้ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธ น, นาคารกรจิกรไทยธนาคารกรุงเทพที่ฝากเอาไว้ยอดทั้งสี่ธนาคารทั้งหมดเป็นเงิน 85,521,272 ล้านแบาทห6สตางค์อันนี้คือเงินที่บริจาคต่างกลัมต่างวาระแล้วอาตมาภาพเอง ในนามคณะสิทธิ์ขององค์หลวงตาก็ได้ร่างเป็นหนังสือเพื่อจะกล่าวคำถวายในครั้งนี้ขอถวายพระพรทูกลกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรัยรักษ์อัครราชุกรมารีอัตมาภาพพระอินทวายสัตตุสโก ในนามคณะสงฆ์และคณะสัทธาญาติโยมวัดป่านาคบน้อยอําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีได้ลํำลึกถึงคุณุปการอย่างสุดซึ้งที่องค์หลวงตาพระมหาบวยญาสัมปันโนเมตตาอบรมสั่งสอนศีนลธรรมต่อพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งอำนวยสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอันตันเมื่อครั้งองค์ท่านยางังทรงธาตุขันอยู่ คณะสิทธิ์ทั้งหลายจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแสดงกระตันยูปตะเวทิตาธรรมต่อองค์ท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในเวลาอันเหมาะสมให้ปรากฏอีกทั้งได้น้อมนำพุทธว จ, จนะที่พระบรมศาสดาได้ตัดแก่พระอานนในตอนหนึ่งว่าบุคคลที่สมควรแก่การสร้างเจดีมีอยู่สี่จำพวกเรียกว่าถูประหะบุคคล ได้แก่พระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจากกักรพรรดิประดิษฐานไว้นะทางสีแพ่งเพื่อให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาสักการะนำมาซึ่งความเป็นสริมงคลแก่บุคคลทั่วไปไประจวบกับมงคลวโรกาสที่ทุนกระหม่อมได้ทรงพระกรุณา ทรงเป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีพระธรรมวิท ธ, ธิมงคลวงแล็บหลวงตามหาบัวยนัสัมปันโนนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเกียงนับเป็นมหาอุดมมงคลเลิกที่ได้ร่วมอนุมโมทนาเจดจพระราชกุศลในครั้งนี้อย่างเป็นรูปธปรรมด้วยการขอร่วมบริจาคปัจจัยเป็นมูลค่า ห้าสิบล้านบาทโดยจะนำส่งมอบเป็นระยะระยะตามงวดงานจนกว่าจะดำเนินงานสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์แล้วเสร็จทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความคาระวะอย่างสูงยิ่งที่สิทธิจะพึ่งมีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบุจนะสัมปันโนแม้มาบัดนี้องค์ท่านจะเข้าสู่พระนิพพาน ตลอดอนันตการแล้วแต่คุณงามความดีที่องค์ท่านได้ฝากไว้ก็เป็นคติตัวอย่างแก่โลกและอนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามปฏิปทาขององค์หลวงตาอันจะนำมาซึ่งมรขนและนิพพานและความสงบพร่มเย็นภายในจิตใจของทุกคนด้วยพระนิสงแห่งการสร้างพรรร ม, ม์งดเจดี เพื่อถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ในการนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจงได้มีความพร้อมเพียงสมัครีมีความเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชาติไทยเราภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านาน ขอตวายพระพร